ที่อธิบายมาแล้วมันมันท่าก่อนพูดถึงเรื่อ ง, ง, งความสุขได้ไหมจากความทุกข์วันนี้จะอธิบายทึงเรื่องปัญญาอยู่เหนือความโง่ความฉลาดอยู่เหนือความโง่ หรืออีกน่หนึ่งจะพูดว่าปัญญาได้ไ้ยจากควโง่ก็ใช่ก็ถูกเหมือนกันนี่หัวขอ้อสำหรับที่จะนาไปคิดพิจารณาต่อไปจบจำยดอนอลไวะก่อน <c oughs> คนเราจะฉลาดมา ก, ก่อนไม่ได้สักคนเดียวถึงแม่จะมีแววอยู่ภายใน บางคนนั้นต้องมีแววอยู่ภายในยคือว่าเกจบพูดจาภาธีะะาได้จะทํำอะไรทุกอย่างอ่ะบางคนน่นมันมีบุญวาสนานิสัยปัจจัยมันมีมาแต่ปางก่อนแต่เคยต่างตรงอบรมไว้หากจะทําอย่างคนอื่นหรือจะพูดอย่างคนอื่นเหมือนกันพูดเหมือนกันอ่ะ แต่หาามีเวล์คมฉลาดมีเครื่องปาอยู่ภายในใจมันพูดอะไรมันเป็นเกณฑ์หนาคิดนาพิจารณาเหมือนกันอย่างตัวอย่างอย่างเด็กไอ้นี่เด็กสมบัติมันพูดแล้วน้าฟังนเข้ามาหน่ยน่ารักเหมือนกัน้นไปซื้อใครเขาในบ้านจาวิชา มันบว่าเอาไข่ซื้อไข่หน่อยเดีเอาไข่หมาให้ไข่ได้หระเอาไข่คนให้ไดลล้หรขนาดจารีชายังไม่รู้ความหมายของมันเด็ตามมาถามจิตวิทยานี่หมายความว่าไงมันบอกว่าเอา้าก็ซื้อมาแล้วก็ไข่เล่ า, ชาใช้ไม่ได้เขาจะทิ้งให้หมา อันนั้น น, นะไข่ามามันตามอธิบายบังทีเขา้าใจนี่เป็นตัวอย่างเด็กเด็กทำไมมันยังพูดได้ถึงขนาดนะมันยังมีเล่ยลงคมไหนนี่เรียกว่าบุญวาทนาของเขาส่วนหมื่งกันที่เขาเคยได้สร้างสมมันมีเรียกก็มีแววภ า, ายในใจคอนั้นแต่ถึงขนาดนั้นนะี่ะความโง่มันก็ยังมีอยู่ ไม่ใช่มันจะฉลาดทั้งหมดที่ว่าความฉลาดเกิดจากความโง่น่ะไม่ใช่มันฉลาดมาด้วยบังตนบังน้องมันต้องมีโง่อยู่ในนัน้นแต่ถึงจะโง่งั้นมันก็ยังมีแววอยู่ภายในเพรเป็นเครื่องประากปดอยู่คนเรามันจะฉลาดมาด้วยบังต้นทุกคนไม่มีเกิดขึ้นมา ถึงแม้จะสร้างสมบูรลมมปฐมีไว้มากไปแค่เท่าไหร่ก็ตามเช่นตัวอย่างผู้ที่ได้พบหลมบ่มอินซีไว้แต่พบก่อนชาติก่อนเป็นขนาดถึงพระอเดยเจ้าอย่างนี้ด้านแสดงไว้ว่าเป็นอรียบุคคลเช่นโสดาบาันบุคคลนี้เป็นต้นที่เป็นอรียบุคลคลขั้นต้นขั้นที่สองเช่นานาคา เรือสะกีทาขาดเวลาตายไปแล้วนั้นกลับมากเกิอดอีกก็ไม่ใช่มักผลนิ่พานที่เคยอบรมมาแล้วนั้นจะต่อเนื่องกันไปทีเดียวต้องหาใหม่ก็จะเป็นตัวผู้พุชชนผูพุทธชนอีกเหมือนกันคือเป็นผุ้ธชนค้นหลงเหมือนกันเร์สดต่อมาพอได้อบลม ในแนวเก่าซึ่งเคยได้อบรมมาแล้วได้ความรู้เข้าใจไดรวดเร็วการเนินติดต่อไปได้ง่ายสบายตัวอย่างชัดนิทานว่าในเรื่องธรรมบทมีบุรุษคนหนึ่งเกิดในตระกูลคนมีคนรวยคนเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เพราะเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละผู้หญิงจะแต่ต้องไม่ได้ถึงแม้จะทานนมกับแม่ก็ต้องเอาผ้าคลุมไว้ผูกผู้หญิงไม่ได้เลยล้องไห้ลองหอ ง, หงถ้าอะไรพราะนิสัยเคยได้สร้างบารมีคือเจริญฌานสมาธิสมบัติจนได้ไปเกิดสรมโลกพวกพร้อมนั้น ไม่มีคลุกคองผัวเมียเขตผู้หญิงไม่มีถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเกิดโฟมโลกแล้วมีความผัวพันกันเรื่องเยื่อใยในเรื่องความรักความใกล้เด็กห น, นุ่มคนนั้นกงว่าจะเกิดในรฟมโลกจเจริญชานอยู่ในมนสตโลกนี้พอดับจากขันเลยไปเกิดในโลก แต่มันก็เป็นของเสื่อมได้เหมือนกันฉากอยู่ น, น, นานๆมาหมดอายุในพรหมโลกมาเกิดต่เป็นมนุษย์จริงว่าแต่ต้องคือหญิงไม่ได้ร้อมให้ลอ้อมห้อแล้วก็ตั้งเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งเขาเบื่อเขาเกลียดชังผู้หญิง ทำไม่ย้มแต่งงานเลยนานๆเนะี่ยเข้าพ่อแม่ลบเล่าเกินแกล้งพูดโดยที่ไม่ตั้งใจคือว่าอยากจะให้มันพ้นจากความอ่อนหวน ข, ของพ่อของแม่แกล้งพูดคือว่าเอาทองคำมาหล่อเป็นลูกผู้หญิงสวยสดงดงามจิวพันณก็สวยรูปร่างก็สวยบอกว่าถ้าฉันเห็นผู้หญิงอย่างนี้ ท่านจะแต่งงานด้วยพ่อแม่คนมีคนรวยดีโอปีใจเนี่ยสงเขาถามจึงให้คนหา ม, มารูปเหมืนนั้นอะ่ะไปตั้งมาเดนที่ต่งตางๆในเมือง ต, งต่างๆคนไปชุมตรงไหนมากๆแล้วไปตั้งกับตรงนั้นแล้วเขาก็คอยไปดักดูอยู่ ใ, ใกล้ๆนั่นคนกล า, ายมานเนี่ยเแถวนั้นถามว่าคนรูปร่างเจนนี้มีไหมผู้หญิงเจนนี่มีไหมเขาบอกไม่นี เมื่องนี้มันมีไปหาไปตั้งคือื่นต่อไปที่จุลนคนไปยืมลังหนึ่งคนกำลังไอ้้าน้าที่เขาลงไปอาบน้ำเห็นจะเป็นเรื่องร้อนนี้กับมันคนไปชุมมกันมากไปตั้งไว้ตรงนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งมามาเห็นกันปฏิพลาดเลยไอ้กาลกินีคนชัวน่ว เอาความมือตีทางแรงตกหลังทางแรงไปโจมันไม่ใช่เนื้อขลแต่แล้วมันเป็นเนื้อทองคำรู้สึกมันแข็งเจ็บมือคนที่หามรูปมันน่าไปตั้งไอ้นั่นเขาเห็นก็สําคัญนะเอกคนคงมีเหแบอ น, นี้คนรูปร่างจะมีจึงเรียกนขามาถามว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมในเมือง น, นี้อู่มีลูกสาวข้างในที่ไปเจ้านะมีคนหนึ่ง แล้วเกตตบแล้วเกตจะบอกปริพาก์หรอวะคนชั่วผู้หญิงชั่วอะไรไทำนองนั้นอนะ่ะอาบน้ำไม่ไดีกี้นี่แล้วยังทำไมยังลงดื้อด้านลงมายืนยตรงนี้ถามเด็กวาว่าลูกของนายเขามีคนผู้หญิงสาวอย่นี้นี่ดีใจก็เลยเข้าไปติดต่อขอทราบเราเล่าเรื่องเหตุการณ์ในปากว่า นายของข้าไปเจ้านะั้นมีลูกชายคนจะยอมแต่งงานเขาบอกว่าถ้าหาก็มีผู้หญิงลูกล่างแล้วก็น่า น, นี้ริ้วพันจะงนี้แล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยถ้าไปเจ้ า, าเช่นแล้วลูกคนนี้มาเล่าเหตุการณ์ฝัทง ก, ก, กู้ตัดในผลที่สุดบิดาบรรดาขยยอมต ก, มกลงจะแต่งงานอันนี้ดีใจเลยฝากไปไปบอกอจิตอทิบุรุษ เรียกว่าอัศจิภิกบุรุษคือผู้ชายคนนั้นคือไม่ยินดีกับผู้หญิงนั่นเองในชื่อน่ะไปนั้นได้ยินข่าวอะ่ะมีผู้หญิงรูปร่างเช่นนั้นมีจริงขึ้นมาก็เกิดความรักใคร่พอใจว่าจะได้เห็นผู้หญิงเช่นนั้นเกิด ค, ความรักใคร่พอใจแต่ตนจะได้ชมเคยผู้หญิงเช่นนั้นเอาเป็นคู่ครองแล้วเอาเป็นแฟนของตน ดีเอาดีใจเบื้องต้นที่ว่าเสียดเบื่อผู้หญิงก็เลยหายไปวั น, นี่เขาก็แต่งเครื่องพุทธนาฏการมาจะไปรับผู้หญิงนั่ไปไปแต่งงานเรียกว่าอาวะหะพิธีแต่งงานสมัยก้างพุทธกาลมีสองอย่างในเมืองแขกทั่านี้ยยังมีอยู่วิวาหานั่นคือผู้ชายไปแต่งงานที่บ้านผู้หญิงอาวะหาแล้วผู้หญิงมาแต่งงานในบ้านผู้ชาย นี่เขาจะมาแต่งบ้านผุ้ชายเรียกว่าปากหนาะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาเคยได้รับความสุขความสบายไม่เคยถูกแต่ถูกคนถูกต้องอากาศที่มันอยากขายอยู่ในบุปร า, าสาทที่สุขสบายาเพราะแห่มากลางทางก็เลยมาเป็นลมต่างมันตายกลางทางเพราะกามาอบอกบุรุษคนนั้นนะบอกชายหนุ่มคนนั้นแล้เชี่ยวใจใจเป็นๆนั่ น, นอยู่จกิน แต่ผลดีดจริง พ, พ, พุทธเจ้าของเราเห็นุป น, นิสัยวาสนาเป็นเทศให้ฟังเรื่องนี้ยังทุกของไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนไต่กับสติได้ปัญญาจึงได้สำเร็จมรรคผลต่อไปเรียกว่ามรรคผลเก่านันมันเสื่อมไปแล้วพุทธเจ้าท่าน พระองค์มาเทศนาในแนวเก่าซึ่งเขาเคยปฏิบัติมาคือเคยพิจารณาในจังทุตังนาตามาประสบความจริงเขาก็เลยดำเนินตามแบบเก่าได้พักผลตามเดิมขึ้นอันนี้พูดตัวอย่างโดยหมายกล่ามาให้เข้าใจเรื่องวลาคนเรานั้นอ่ะมันมีเสื่อมนับสร้างบุรมีในชาตินี้ก็ตาม ถ้าหากเราทำยัาาางไงก็จะเต็มที่วัตถุมีของเรายัางไาเต็มที่หากาว่าตายได้ก่อนไปเกิดในชาติไปเกิดสเสวยความสุขอยู่ในชาติในภูมิในกระตับเมื่อไขในชาตินั้นภูมินั้นแล้วไม่ถึงที่สุดทองกองฟุกถือว่าได้เป็นโซโดาเศรษท า, า, าภานาพางเนี่ยยังไม่ได้ถึง่ระประหาร จะต้องกลับมาเวียนไหว้แต่เกิดอาเป็นมนุษย์นี้แล้วมาเป็นคนโง่ีุซะก่อนยังมันฉลาดหากว่ามีผู้ใดมาแนะนำตักเตือนถึงแม้จะไม่ใช่พ็จะเจวก็ตามาแสดงในแนวนั้นแหละที่เคยปฏิบัติอารมทุกคนมานั่นะก็จะได้ความเข้าใจเร็วขึ้น กุบายปัญญาที่เคยเพ่งพิจารณาี่เคยดำเนินมาแต่ก่อนแต่เก่านะปัญญาปรากฏชัดเลวขึ้นมาอีกจะประรวงผลง่ายอันที่ท่านเรียกว่าสร้างสมอารมณ์นิสัยบุญบา ร, รมีไว้คืออย่างนี้เองไม่ได้หายศูนไปไหนตายแล้วกลับมาเกิดอีกบุญบา ร, รมีนั้นก็ค่อยมาตักเตือนให้เรายินดีพอใจในเรื่องความดีที่เคยสร้างสมอารมณ์มานั่นจนกระทั่ง ดังเนินเขาลีดเขาร้อยตามดื่มเรียกว่าต่อนิสัยว่านิสัยปัญญาประมีต่อคิดพูดในที่นี้หมายความใหม้เข้าใจถึงเรื่องว่านิสัยนั้นนะ่ะไม่เสื่อมสูญไปไหนถึงเสื่อมสูญก็กลับมาได้เร็วหรืออีกนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องต้นๆที่ว่าคนเราต้องโง่เกิดมาต้องโง่ที่ก่อนไม่ใช่ฉลาดทีเดียว ถึงจะสร้างว่วามีวัตถุกรรเก่าเป็นควฉลาดเรื่องปร่าซักเท่าไรก็ตามเถอะมันเกิดีหลังตัวโง่ที่กว่าให้เข้าใจตอนนั้นคราวนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากตัวโง่ต่อไปความฉลาดมันแฝงอยู่กับผมโง่ถ้าพูดตรงๆเลยทีเดียวก็ เรียกว่าถ้าไม่หลงเมื ก, ก่อนเราไปแต่ไม่รู้จักพรมหลงถ้าไม่โง่เราก็ไม่จกมักคบเห็นโทษของควโง่เมื่อไหร่เราก็จะได้ค้นขวายสร้างความฉลาดเช่นเราไม่รู้จักหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้เราก็จะรีบเร่งเรียนหนังสือทำให้ได้ความรู้ฉลาดอ่านหนัง ส, นนนสือได้นี่ต่อไปนี่ว่า ง, ง่า้อไอตลาดเกิดจากโง่ ถ้าหากว่าดีขึ้นไปตัวนั่นอีกแล้วเกิดขึ้นมาเป็นคนลุ่มหลงหมัวมเอลประมาทเห็นบางคนเคยรักฉ้อโกงขโมยเลี้ย่ดยาดซาตส ว, วิตเดระการต่างๆเห็นคนมัวเมลในเรื่องการเล่นการพนานในตึ่งสุดายาเมาเป็นเจ้าชู้ยี่เป็นตน้นเราเห็นว่าเราเป็นคนโง่เราได้มัวมเอลเหมือนักหนาแล้วไม่มีดีอะไรด้วย มีแต่ทำความเหลยวไหลเลื่อนเทอกเราไมาเห็นโทษดังนั้นเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นการเห็นโทษนี่คือปัญญาเกิดขึ้นนะเกิดจากความโง่คือเราเห็นโทษของความโง่แล้วเราจึงพยายามละความโง่คือเราจะไม่ทําละความชั่วที่เลยเลื่อนเทือกเหลียวไหลเหมือนนั้นไม่ทำละ อันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดไปจากความโง่ถึงว่าความฉลาดในเบื้องต้นไม่มีคนเราไม่มีมาต้องมาโง่เสียก่อนเห็นความโง่ในเป็นของไม่ดีนะ่ะฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากวคนใดเห็นความโง่ของตนเป็นของไม่ดีแล้วถ้ายามละผมโงน่น้เส้ตั้งยืนในความฉลาดลองคิดคุณงานความดีต่อไปเรื่อยจนตลอดรอฝั่งเรียบม เป็นบารมีคือสร้างพลังความดีทิศเนื่องออกไปจนกระทั่งวันตายบางคนอาจสามารถที่จะทําดีจนกระทั่งสําเร็จพระขนิษฐานได้อย่างเช่นอังคุริมาณในเรื่องนิสทางท่านเป็นมหาโจรที่เขาชื่ออังคุริมาณขาดคนดังผัดั้าเห็นโทษาาั้าร่าดเด็กขาดจนกระทั่งสําเร็จเป็นภาระถ้าไม่ทอดถอยเห็นโทษจะต่อร่าดจริงๆ จ, จัง อันนี้ยังว่าความฉลาดเกิดไปจากควาโง่จากคนเราโดยส่วนมากยังเสียดายัวโง่ฉลาดรู้จ็คอยู่ฉลาดเกิดขึ้นมาเหมือนกันรู้แจกว่าเราโง่เราทําชั่วก็จะจริตตัวผู้ปิดตังอธิบายมาแล้วแต่ยังเสียดายอยู่เนี้ยกลับพืนไปทําวามโง่ตามเดิมอีกต่อไปอันนี้จึงว่า มานไป็เครื่องขูกมัดจิตใจกายใจของคนเราเรียกว่ามานมานมาขุกถ้าว่ามานในที่นี้นั้นอย่าไปพูดทั้งเรื่องมานเปน็นตนเป็นตัวเลยคือควมช่วงเราเองเป็นมานคอยขูกมัดจิตใจเราให้กลับคืนไปหาคนชั่วอีกดังที่มีถมๆไปอยู่ทุกวันเนี่ย บางคนเห็นการดื่มสุรายาเมาเป็นของไม่ดีพอเข้ารักษาก็ตั้งใจที่ฐานเลยทีเดียวแต่ละารักษาจะเว้นได้จริงจริงก็ไม่มีอะไรไปเกิดขึ้นมาพรออกรัษาสนับเท่งเลยรับไดดื่มตามเดิมเป็นนักดื่มเหมือนเก่าอันนั้นเรียกว่ามารมันกลับมัดเอาอีก การรักษานั้นพ้นจากมื่อมือของมานแต่ออกรักษาแล้วกลับไปให้มานผูกมกัดอีกไม่ใช่เป็นตัวตนมาจะกอื่นไกลามานันใจของเรานันเองแจ้งเราให้กลับกคมชื่อมมาผูกมัดตัวของเราลงไปจบในกคมชื่ออีกให้เข้าใจอย่างนี้ครับมานแล้วก็ความจริงกระเบงอั น, อนจะ้วยมานคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราทําความดีได้เรียกว่ามาน เนี่ยเป็นตัวอย่างมันมีตัวม่จากไหนอัลมานน่ะนะมันเรามันว่าผูกมัดเราให้ทํำกลมชั่วตามเดิมมันมีตัวไม่จากไหนไม่เห็นมีหรอกใจของเราเนี่ยผูกตัวเราเองให้ไปรักกลมชั่วทำกลมชั่วอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าความดีเกิดจากกลมชั่วหรือว่าปัญญาเกิดจาก ของโง่หรืออีก่หนึ่งเจ้าเรียกว่าปัญญาอยู่เหนือข่าโง่ความฉลาดอยู่เหนือของโง่คือมีความฉลาดพลิบไหวในตัวแล้วก็อยู่เหนือของโง่ได้เมื่อฉลาดอยู่เหนือของโง่แล้วทีหลังได้กลับเป็นคนโง่อยู่ใต้คนคนโง่อยู่ใต้คนฉลาดที่อธิบายฟังมาแต่กี้นี่คือจะว่า มามากลับผูกมัดเอาเองคือความโง่อยู่ใต้ความฉลาดอันนี้วาดถึงเรื่องความในปัญญาความดีปัญญาความฉลาดอยู่เหนือความโง่ความโง่อยู่ใต้ความฉลาดมากลับไปกลับมาแง่าเข้าใจง่ายๆ่าย น, นี้มาพูดถึงเรื่องปัญญา เกิดจากความกระดับแลว้วมาแห้งพิจรนาทั้งเรื่องใจของเรามาดูใจของเราเห็นใจของเรามันลุ่มหลงมัวเมาเพิดเพลินสนุกสนานเฮฮาในอารมณ์ต่างๆมันคี้ทงจิตของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายกระซับกระส่ายไม่อยู่เป็นสุข ผู้ที่มาตั้งใจพิจารณากรรมฐานตัร้รวมจิตใจของค์ตนไ้ตั้งรวมไม่ได้ก็เพราะใจมันวุ่น้าใจมันยุบ้าใจมันรุ่มหลุ่มโมโมวข้าใจมันรงสายรวมใจตั้งรวมใจไม่ได้แล้วมามองดูเห็นทัดด้วยตนเองเดียวอ๋อใจนี่มันยตรงสายมันไม่สงบมันไนิ่ง ต้อคุมก็อยู่นักไปจนต่อสู้กันอยู่เงั้นแต่คาดกันก็ว่าสงครามภายในต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นไหมคะนี้เห็นชดาดแล้วคะนี่คือไม่ยอมถ้ามันส่งไม่ยอมเหมันวุ่นวายไม่ยอมมาเพิ่มเกิน ลุมหลงมมวเมาไปต่ามอารมณ์ต hmm. ่างๆพรเห็นโทษชัดแล้วเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจิดนันก็สงบเห็นโทษชัดเด่นแล้วมันก็สงบมันปล่อยวางโดยไม่รูตัวอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากความโง่ แต่บางคนก็ตรงใ น, นขาดที่อย่างว่า๋ยวม า, ม, ามาเบื้อต้นอีกมาเบื้อต้นอีนนี้กยังเสียดายจะสงบเยือกเย็นอยู่ที่เฉยได้อยู่ไม่ได้มันลำขาดทางเดิมคือสายเดินสายเก่าที่มันเคยเดินมา ถ้าได้คิดได้นึกถ้าได้วุ่นวนี่วุ่นวี่วุ่นไหวสงสายนูนน้นนี่อะไรนะเผลอเมาไปเข้าใจเป็นของดีเข้าใจเป็นของสุกคิดไปสงบนิ่งเยงื่เฉยไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรเพื่อเป็นคนโง่เมาโต้ตุม่มอยู่ไม่ได้ก็จะต้องส่งไปตามอารมณ์เดิมีอันนี้เรียกว่า มานมันดึงไปอีกแล้วหรืออีกนั่นหนึ่งจะเรียกว่าความโง่อยู่เหนือบังฉลาาไปอีกแลยนี่มันมันกลับกําดังอธิบายมาในเบื้องตน้นเรื่องเหลนี้เป็นของนายเห็นใจถ้าอะไรคนเราเกิดขึ้นมามันต้องเป็นคนโง่ดังอธิบายมาในคิดเบื้องต้นนั้น เห็นของโง่เป็นของดีคือคนเราไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมเป็นคนชั่วสักคนเดียวใครมีอะไรก็เอาเข้าใจวนะ่านั้นเป็นของดีหมดคนเราเกิดมาทาั้งทงที่ตนโง่อยู่นั่นแหละแต่เขา้าใจตนเป็นคนฉลาดจึงไม่สามารถที่จะกลับเป็นคนฉลาดได้ขึ้นมาสักทีตลอดวันตายก็ฉลาดไม่ได้ถ้าเห็นว่าตนเป็นคนโง่พ ย, ยายามเจรจาของโง่ เขากลับไปกลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าจิตแจ้งเราไม่เห็นตนเห็นตัวไม่เห็นจิตแจ้งเราจะเลยทรงสายวุ่นวายตลอดการเวลาหรือเห็นความทรงสายเพื่อเพลินมัวเมาตามอารมณ์ลุกหลงไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นของเดียู่ตรามใดแล้วพอตั้งใจะาวนาจนเท่าอาจทความสงบไม่ได้หนึ่งเด็ดขาดจึงว่ามีเวลาที่จะ ท่านโคมขนาดไ ด, ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากอาก็าบางโดยความสงบขึ้นมาเป็นบางครั้งบางขาวจึงเป็นการยาเกเทียวขาวไว่นะ้จันพุทธองค์ตรามเทศนาไว้นัที่ส้นตีประดังทุขขังความสุขเสมอและความสงบไม่มีก็ไม่รู้เรื่อง เห็นความสงบนเป็นความเป็นของโง่ไปซะและอยู่ไม่ได้ด้วยมีเครื่องอยู่พอไปเห็นใหม่ๆของนั้นยังไม่เคยประสบพบเห็นเคอเห็นได้ความยุ่งข้อมูล่วายเป็นของสบายตรงเคลิดเพลินมอเป็นของดีความสงบไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เห็นเขาแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องของเป็นของดีเรื่องเหล่านี้จึงเป็นที่น่าเสียใจที่สุด แต่สาหรับกู้ที่รู้จักของดีแลว้วผ่านนี่ไม่ต้องสงสัยคิดว่าความสุกเสมอด้วความสงบมันมีไม่ต้องสงสัยจะวิ่งเข้าไปหาควา ม, มสงบอยู่ตลอดกาลเวลาพเพื่อประสบเหตุการณ์แล้วไปเห็นเรื่องกระทึกวุ่นวายอะไรต่างๆเขาไม่หนอกหรอกจิตมันจะต้องย้อนกลับขึ้นมาหาความสงบ หาของสุดตลอดเวลาหาที่พึ่งอยูตลอดเวล า, กกลวลาจิงนในเอฟโอมาเรียดในาภาค้านเองครับฟังว่าดูที่ทัตย์ที่อยู่ในลานบัดของเราตัวแย่มันกลัวกลัวหนักกลัวคนเราเห็นคนไปแล้วมันเห็นเจอหน้ามันก็วิ่งเข้ารูเลยสบาย ที่ลึกพวก ม, มนมีีไปที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยมันก็เข้าไปในรูพวกมาันเห็นอะไรมันจะวิ่งเข้าไปในรูงหมนแม้แต่ฟ้าฝนตกลงมามันก็วิ่งเข้าไปรูก็อยู่แต่รูเพราที่นั่นอะไรแล้วความสุกของามสงรด้วยปลอดภยัยผู้ที่เห็นใจของตนสงบเป็นของยินใจของตนสงบเป็นของสุขเป็นความสุข แม้จะประสบเหตุการณ์อะไรหมดกระชั่งเถอะจะต้องเข้าไปหาคามสงบอยู่ตลอดเาเห็นความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายนะ่ะเป็นการเดือดร้อนเปลี่นผุนนี้เรียกว่าพูดแต่เฉพาะเรื่องความสงบเฉยปัญญาขั้นนี้เรียกว่าแห่งความสงบเป็นของดีเลิศ เขเรียกว่าปัญญาเกิดจากความโง่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาขั้นละเอียดลงไปอีกความสุขสงบก็ไม่ใช่ว่ามาจากพอจากทุกข์แล้วพ้นจากความโงท่ทีเดียวก็หาไม่มันจะต้องโง่อีเหมือนกันอันข้น สงบตอนนั้นน่ะมันยังไม่พ้จากผมโง่เหมือนกันถ้าจะพูดออกมาเปสียมันก็แย่ที่ว่ามาแล้วนี่มันดิ่งเข้าไปในรูมไปอาศัยรูมมันก็เข้าดใจว่าปลอดภัยละ่ะแต่หาได้ปลอดภัยแท้จริงไหมถ้าเขาตามไปขุดมันก็มีทางไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ลากพรอมันออกมาถ้าขุดตามเข้าไป ผู้ที่เข้าไปถึงความสงบประเชิญนั้นเหมือนกันพความสงบคือไม่มีปัญญาถ้าไปถึงที่นั้นแล้วก็ใจรับความสุขความสงบแล้วก็ดีใจพอความสุขความสงบมาบนั้นเนะย็นใจว่าตนสบายแล้วก็เลยไม่คิดนึกพิจนารณาอะไรมากมายแล้วไปติดสุขสงบเสี้ยแความไปติดสุขสงบแล้วกลับกลายเป็นคนโง่ขึ้นมาอีก พระพุทธเจ้าท่านก็สอนในแพ่งที่เจรนาปัญญา ค, คือคนฟ้าหาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกประการเบนต้นทาการที่สุขหรือตลอดถนะึ้งความสุขที่มันมีอยู่ในที่นั้นเป็นของสุขทแท้จริงแล้วอย่างคนโง่ทั้งหลายนั้นมีหลักอันละเอียดที่ท่านแสดงไว้นะ่ะหลักของคนโงนะ่่ะคือยนดพึคงถือ ถ้าไปยืดไปถือจริงในเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วจริงหนะ้าไหนเรียกว่ายังไปพ้นจากควาโง่ผู้ที่เข้าไปอยู่ในความสุขนั้นก็หาวาสุขเป็นของเราพวามสงบนั้นก็วะสุขสงบเป็นของเราก็เรียกว่ายังพ้นไม่พ้นจากความโง่อยู่นั่นเองแต่จะให้เพ่งพิจารณาอีกว่าทํำทั้งหลายเป็นอนัตตาก็สุขสขขงบในการหาได้เที่ยงวันขาววใน แต่ต้องแบกสภาพไละแรส่วนเหมือนกันจะไปถือร้านเราเป็นข้อง ต, ตัวไม่ได้เป็นข้องจริงห้องจังไม่ได้ถือเป็นจักรว่าเป็นที่พักอาศัยตัวกลางตัวข่าวถ้าเลี้ยวมาเปรียบให้เข้าใจกันอีกว่าคนเราน อ, นอนแล้วเข้าใจว่าผมสุขว่าได้รับความสุขสุขจริงขั้นนี้คือพักผ่อนกลางงานไม่ต้องทำจริง เต็นนอนนั่นแะอันตรายรอบด้านเหมือนกันเนี่หากเวลานอนนี่นั่นน่ะมีคนมาขโมยของก็มไม่รู้สึกมันกระชิบหายพรเวลานอนไว้ไม่กระชิบหายเพราะเวลานนวหาา ล, าลับแอบว่าเขาโจทย์ขโมก็จะมาข่าเขาก็เอาเวลาเราหลับนั่นแะ่ะตายในขณนะนั้นตายง่ายที่สุดเราจะเรียกว่าก้นจากภัยอันตรายในใดเห็นไหมการหลับการนอนนั่นไม่ใช่เป็นของดี ขั้นต้นเราเขาจะเป็นของดีถูกอยู่พักข่อนกลางงานไม่จัองอะไรมากมายเวลาพักผ่อนแต่อันตรายตรงนั้นร่ายแรงกว่าที่เราไม่นอนอีกค่ับชั้นใดผู้ที่หัดสมสถทานภาวนาทำสมาธิถ้าไปเยินดีกับลมสงบก็พ้นจากพวกอุตรากน้ำมันอย่างท่านพูดในเจ้าทั้งสอนให้พิจารณาทั้งเรื่องความิตรคมถือควงอุปทานหรือมัน เข้าใจตามเองถือว่าเป็นของเราของเขายังไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือเป็นของจริงมังจังเห็นเราจเปลนได้เป็นเครื่องพัอนมันกะหลับนอนเป็นข้าเป็นขาวเท่านั้นนะก็แล้วกันจริงจะพ้นจากความโง่เนี่ยเช่นที่อธิบายทัเรื่องความโง่ฉลาดเกิดจากความโง่ได้มาจากความโง่อันนี้อังคล๊อตฉลาดนั่นน่ะ แต่คนโง่นั่นน่ะถ้าหากว่ายังไม่หมดจะตราบใดมันอาจจะกลับคืนมาเหนือกมรมฉลาดอีกก็อไปหรือมันอาจจะเสื่อมเจยจากคูมของกรมเจตนฉล า, าดตั้งต่อไปดังอธิบายมันั้นดะนั้นน่ะขอให้จับต้นต่อเนื้บทเบื้องต้นไว้ให้ดีเจริบาลมาเจริบานี้ว่าถึงเรื่องควมามฉลาดเกิดจากความโง่ บนต้นทอธิบายยกขึ้นมาเป็นข้อความสำหรับที่จะจดจำไวปไปคิดพิจนารณาต่อไปแต่มีเนื้อความมาที่ดังอธิบายบรรยายมาแล้วมากมายนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพาถ้าอาศัยประมาะทธรรมทุกความใน ป, ประมาทจะนำเอาธรรมะเอาอสอนของพระเจ้าที่อธิบายมา น, นี้แหละไปพิจนารณาต่อไปก็จะเป็นทางเกิดปัญญาฉลาดเฉ็ี่ยได้ความสุขความเจริญ ตาต้องควรแก่ภูมิปัญญาของตนของตนโดยไหนที่ปลายมาด้วยเหตุการ